เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะความเพียรเท่านั้นที่จะช่วยทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนั้นหมดสิ้นไปได้ดังที่มีคาตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรก็คือความขยันหมั่นเพียร ที่จะปฏิบัติทำที่เป็นเครื่องมือในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจทำที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติสร้างขึ้นมานั้นก็มีอยู่สาชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าสติ<ม>การระลึกรู้ชนิดที่สองเรียกว่าสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตในความสงบและขั้นที่ชนิดที่สามก็คือปัญญาความฉลาดความรู้ในสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือทรรมสามชนิดที่จะเป็นเครื่องมือ ในการกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้ที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจมาโดยตลอดถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็จะถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาแล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจ ก็หมดสิ้นไปนี่แหละคือสิ่งที่เรามาทำความเพียรกันในวันพระในวันรรมสวานณะวันที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปารทนาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้มาเล่งทาความเพียรกันให้หยุดภารกิจการงานทางโลกไว้หนึ่งวัน สำหรับท่านที่วันนี้ต้องไปทำงานกันเพราะว่าวันหยุดของท่านไม่ได้ตรงกับวันพระท่านก็ต้องเปลี่ยนวันวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดของท่านเช่นถ้าท่านหยุดทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระของท่านไปเพื่อจะได้ไม่ขาดทุนเพราะถ้าจะรอให้มา ปฏิบัติทำมาเร่งทําความเพียรในวันพระตามปฏิทินของทางาศาสนาท่านก็จะต้องรออีกเดือนกว่ า, วาถึงสองเดือนกว่าวันพระจะไปตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดทํางานของท่านนั่นเอง<ม>ดังนั้นเพื่อไม่ให้ขาดทุนเพื่อให้รักษาวันพระให้มีอยู่ทุกอาทิตย์ท่านก็ต้องเปลี่ยนวัน พระของท่านให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานของท่าน mm hmm. ท่านหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระแล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเป็นวันพระจริงๆเหมือนวันนี้ mm hmm. วันนี้ท่านที่ไม่ต้องไปทำงานก็จะมีเวลาว่างให้แก่การศึกษาให้แก่การปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ mm hmm. ตลอดระยะเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืน เริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่ขึ้นมาของวันนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของวันพระและจะไปสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้วันตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ก็จะได้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี่คือขอบเขตของวันพระของวันปฏิบัติธรรมของวันศึกษาธรรมของวันเร่งทำความเพีย การสตินั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาทางปัญญาแต่การปฏิบัตินี้ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นตอนแรกนี้เราต้องมาสร้างสติก่อนสตินี้ของเราในเบื้องต้นนี้จะเป็นสติที่อ่อนแอไม่ค่อยมีกำลังวังชาเป็นสติแบบล้มลุกคุกขาน ตั้งสติได้แป๊บเดียวก็หายไปแล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้บริกรรมพุโทโธได้สักสองสามวินาทีก็หายไปกับความคิดต่างๆให้ดูอิรยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเคืคิดเรื่องนี้ต่ออย่างนี้เรียกว่าสติที่ยังล้มลุกคุกขาดอยู่เป็นสติที่ยังไม่มีกำลังวางชา ที่จะนำมาไปพัฒนาใจให้เข้าสู่สมาธิได้ mm. การที่จะทําให้ใจเข้าสมาธิได้นี้จําเป็นจะต้องมีสติแบบต่อเนื่องที่เรียว่าสติสัมปะชัญญะสัมปะชัญญะคือการมีการรึกรู้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอ mm. ไม่พลังไม่เผลอให้อยู่กับพุทธโธก็สามารถอยู่กับพุทธโธไปได้เรื่อยๆ ให้เฝ้าดูเอรียาบทของร่างกายก็สามารถเฝ้าดูเอรียาบทของร่างกายไปได้เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นี่คือขั้นแรกของการเด่งทาความเพียรถ้าเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะนเรายังนั่งสมาธิให้สงบไม่ได้เราต้องพยายามฝึกสติให้ได้ก่อนและการฝึกสตินี้เราสามารถทำได้ทั้งวันทั้งคืน ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเองพอตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งสติได้เลยจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะเฝ้าดูอิริยบทของเรื่องกายก็ได้เช่นพอลืมตาขึ้นมาก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยบทไหนอยังอยู่ในท่านอนก็รู้เองยังอยู่ในท่านอนอยู่พอเริ่มลุกขึ้นมานั่งก็ต้องรู้แล้วว่าก็ตอนนี้ร่างกายกลังนั่งอยู่ อล้ลขึ้นมายืนก็ดูก็รู้ว่ากำลังยืนออเดินไปทาอะไรก็ให้รู้ว่ากำลังไปทำอะไรไม่ให้เผลอไม่ให้ทิ้งร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งถ้าเป็นวันทำงานนี่เราอาจจะทำไม่ได้เพราะเราต้องคิดถึงการงานต่างๆแต่ถ้าเป็นวันหยุดทำงานอย่างวันนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องงานไม่ต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้ เราก็สามารถคอยบังคับควบคุมใจให้อยู่กับอิริยาบถของร่างกายได้หรือให้อยู่กับคำบาลีรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าเราสามารถรักษาสติให้มีอย่างต่อเนื่องเราก็เรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วพอเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะมานั่งสมาธิกันเพื่อทำ ก็สร้างสมาธิคือความสงบขึ้นมาซึ่งความสงบของสมาธินี้ก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิ<ม>สงบได้ช่วงหนึ่งขณะช่วงงูแลบลิ้นหรือช่วงฟ้าแลบมสมงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมามมเพราะว่ากําลังของสติยังมีไม่มากที่จะรักษาสมาธิให้อยู่ไปนา น, าน ให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้หลวงตอนผู้ปฏิบัติถ้าจะได้สมาธิก็มักจะได้แบบพา น, นิกะกันได้แบบสงบปั๊บเดียวจิตรวมลงปั๊บนึงเกิดความรู้สึกมหาสัจจใจรู้สึกแปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นความรู้สึกแบบนี้มาก่อนแล้วก็ถอนออกมาหลังจากนั้นเพราะกำลังของสติยังมีไม่มากพอที่จะ กำกับใจให้อยู่ในสมาธิให้ยาวนานได้แต่พอรู้แล้วว่าการทำสมาธิจะได้ผลอย่างนี้จะได้พบกับความรู้สึกที่มหัมหสจรญญใจความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงก็จะทาให้เกิดมีความยินดีที่จะมาเจริญสติเพิ่มให้มากขึ้นพ อ, อไม่ได้นั่งสมาธิก็กลับมาเจริญสติต่อ ใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้ใช้การเข้าดูอิริยาบทของร่างกายก็ได้คอยควบคุมใจผูกใจไว้อยู่ให้อยู่กับพุโทโธหรือให้อยู่กับออริยาบทของร่างกายอย่าปล่อยให้ร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงเมื่อคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคิดแล้วจะไม่สามารถที่จะมาทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ ไปนั่งสมาธิใจก็จะลอยไปลอยมาจะไม่อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจจะเป็นพุทธโธก็ได้หรือเป็นลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ถ้าเรามีสติที่กำกับที่สามารถกำกับใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทธโธหรือให้อยู่กับร่างกายได้พอเวลามานั่งสมาธิเราก็สามารถกำกับใจให้อยู่กับพุทธโธต่อไปได้ หรือให้อยู่กับออริยาถ้ า, ถ, าถ้าตอนเจรินสติอยู่กับอิริยาบทของร่างกายพอเวลามานั่งเราก็มาเปลี่ยนเป็นการดูลมหายใจเข้าออกแทนดูที่ปลายจมูกดูเวลาลมเข้าดูเวลาลมออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่ที่ปลายจมูกให้อยู่ที่จุดเดียวให้รู้ว่าลมผ่านตรงจุดนี้เข้าไป ลมผ่านจุดนี้ออกมาลมจะยาบจะละเอียดตะสั้นจะยาวก็ไม่ไปบังคับปล่อยให้ลมหายใจไปตามอัธยาศัยของลมเราไม่มีหน้าที่จะมาบังคับให้ลมหายใจลึก ห, หายใจยาวหรือหายใจสั้นเรามีหน้าที่มาดูลมเพื่อให้ใจสงบถ้าไปกำกับบังคับให้ใจหายบังคับให ลมหายใจยาวหายใจลึกอันนี้จะเป็นการทำงานของใจถ้าใจทำงานใจก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบถ้าใจให้อยากอยากให้ใจนิ่งเป็นสมาธิให้สงบต้องไม่ทำงานใจต้องรู้เฉยเฉยต้องดูเฉยเฉยการดูเฉยเฉยนี้ไม่ได้เป็นการทางานแต่การสั่งให้ลมหายใจลึกหายใจยาวหายใจสั้นนี้ เป็นการทำงานหรือการตามลมเข้าไปก็เหมือนกันเป็นการทำงานตามลมออกมาก็เป็นการทำงานแต่ถ้าอยู่ดูเฉยๆรู้เฉยๆอยู่ที่จุดที่ปลายจมูกหรือบางท่านจะดูที่หน้าท้องก็ได้ที่เรียกว่ายุบหนอ่อพองหนอลมเข้าก็รู้ว่าท้องพองขึ้นมาลมออกก็รู้ว่าท้องยุบเข้าไปบางคนก็จะ พูรยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออันนี้แล้วแต่จริตชอบทำแบบไหนก็สามารถทำได้แต่ข้อสำคัญจิตจะสงบได้จะ ต, ต้องมีสติกำกับะกํากำกับลมก็ได้กำกับพุทโธก็ได้กำกับที่ปลายจมูกก็ได้กำกับที่หน้าท้องก็ได้หรือจะใช้อย่างอื่นมากำกับก็ได้ บางคนใช้โครงกระดูกมากํำกลับก็ได้คาปลูกใจให้ให้ ล, ลึกถึงโครงกระดูกนั่งหลับตาก็แล้วนึกถึงโครงกระดูกของร่างกายแล้วก็พยายามให้ภาพของโครงกระดูกนั้นตั้งอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ให้หายไปอันนี้แล้วแต่ละคนที่จะใช้วิธีการต่างๆบางคนยังไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุโทโธได้ ก็จะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนตอนเริ่มต้นเพราะใจยังฟุ้งอยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ไม่สามารถกกับให้อยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ในท่านั่งสมาธิหลับตาสวดไปภายในใจสวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดอิติปิโสก็ได้หรือสวดอะไรสั้นๆก็ได้พุทธังสรนังกระฉามิก็ได้ จัต้งสวดไปหลายๆรอบก่อนสวดไปจนกว่าจะรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านนั้นเริ่มหายไปแล้วใจไม่คิดมากแล้วมาพุโทโธได้แล้วหรือมาดูลมได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาดูลมหรือดูพุโทโธดูลมหรือบริกรรมพุโทโธต่อไปถ้ามาถึงจุดที่ดูลมได้บริกรรมพุโทโธได้แล้วไม่ลอยไปที่อื่นเดี๋ยวไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ เรื่มต้นก็สงบแบบช่วคั น, นิกะค่ะช่วหนึ่งขณะเรียกว่าคันนิกะสมาธิแล้วก็ถอนออกมาต่อไปถ้าเราพัฒนาสติให้มีมากขึ้นมีความต่อเนื่องมากขึ้นพอนั่งสมาธิเวลาสงบก็จะสงบได้นานขึ้นก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเป้าหมายของการฝึกสมาธินี้ก็คือต้องการให้ได้ผลคืออัปปนาสมาธิ Just, ใ, หให้จิตสงบตั้งมั่นได้เป็นเวลาอันยาวนานบางท่านก็นั่งได้ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงสงบแบบสงบแบบเป็นยาวๆไปเลยยิ่งสงบยิ่งนานเท่าไหร่ใจยิ่งมีพลังมากขึ้นเ่ะนั้นยิ่งมีความสุขมากขึ้น่ะนั้นเราต้องการสร้างความสุขจากการทำสมาธิพาะที่เราจะได้ใช้ความสุขนี้มาแทนความสุขที่เรา เคยไปหาผ่านทางร่างกายผ่านรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าต่างๆถ้าเรามีความสุขในใจแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายทางจาหูจมูกลิ้นกายเพราความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่การเริ่มต้นมีความอยากแล้ว พออยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกิริยใจก็เริ่มมี อ, กอาการากระตือรือร้นมีอาการไม่นิ่งไม่สงบแล้วมีอาการวุ่นวายขึ้นมาแล้วแล้วพอได้มาก็เดี๋ยวก็ต้องเสียใจเพราะความสุขที่ได้มาเป็นความสุขชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถาวนวคือสรุปแล้ว การมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจใจจะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีเวลาเกิดความอยากแล้วพอไปทําตามความอยากพอได้สิ่งที่ไดอยากได้มาก็เป็นความสุขประเดียวประดาเดียเด๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดไปมันจากเราไปก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเนี่ยความทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากจะไปหาความสุขภายนอกใจ เราจึงต้องมาสร้างความสุขภายในใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกเพราะความสุขภายนอกเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าใครก็ตามถ้ายัางแสวงหาความสุขภายนอกใจอยู่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องทุกข์เศร้าโศกเสียใจกันทุกคนเพราะสิ่งที่ได้มาให้ความสุขนั้นเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงหมดไป ออจากไปก็จะเศร้าโศกเสียใจตามมาถ้าไม่หาความสุขภายนอกไม่มีความอยากใจมีความสุขภายในใจก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรไม่ต้องไปทุกข์กับการแสวงหาไม่ต้องไปทุกข์กับการรักษาสิ่งที่เราหามาได้ไม่ต้องไปทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่เราหามาได้ไปอันนี้คือวิธีของการ สร้างสมาธิขึ้นมาเพื่อให้มีความสุขในใจเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ความสุขใจนี้ไปสนับสนุนปัญญาปัญญาก็คือการศึกษาให้รู้ว่าความอยากต่างๆนี้เป็นตัวเหตุที่ทำให้ใจเรากระเพื่อนทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราวุ่นเอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจอยู่ไม่นิ่งแล้วอยู่ไม่สงบแล้ว ต้องวิ่งไปหาตามตามความอยากแล้วสิ่งที่อยากได้มาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปความสุขที่ได้มาหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเวลามันจะหายไปมันก็หายไปเราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ นี่คือขั้นปัญญาปัญญาเพื่อให้เราเห็นตายรัก<ม>เห็นอริยสัจสี่<ม>เห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความประยากในสิ่งต่างๆแล้วพอสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นถูนเสียไปจากเราไปความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจให้อยู่กับความสุขที่ได้จากการทาใจให้สงบ คือการทำสมาธินี่อันนี้แหละคือการปฏิบัติสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเจริญสติให้เป็นสติสัมปะชัญญะมีสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่หลงไม่ลื ม, ลมลแล้วพอมีสติแบบสัมปะชัญญะได้ก็จะมานั่งสมาธิาสมาธิพอนั่งสมาธิใจไม่ลอยไปที่อื่นใจอยู่กับกรรมฐานเดน๋ยวใจก็รวมเข้าสู่คานิกะสมาธิก่อน แล้วต่อไปก็พัฒนาเป็นอัปปนาสมาธิแล้วพอมีอัปปนาสมาธิชํานาญในการเข้าออกอัปปนาสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความทุกข์ใจก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าอันนี้เราทุกข์กับอะไรเราทุกข์กับคนนั้นคนนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็พิจารณาว่าแล้วเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าไปห้ามเขาได้หรือเปล่าไปเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าเขาอยู่ภายใต้อำนาจของเราหรือเปล่าเขาก็ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเขาเป็นอนัตตาเป็นสภาวะธรรมไม่มีตัวตนเราไปทําอะไรเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนฝนตกแดดออกที่เราไปห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา อย่าไปอยากให้เขาเป็นตามความอยากของเราพอเราหยุดความอยากของเราได้ความทุกข์ใจเราก็หายไปเขาก็อยู่ของเขาไปเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเขาจะดีกับเราก็เรื่องของเขาเขาจะร้ายกับเราก็เรื่องของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปเขาก็อยู่ของเขาไปต่างฝ่ายต่างอยู่กันเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ไปสร้างเวทสร้างกรรมกับเขานี่คือปัญญา ปัญญานี้มีสามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสุดตมยปัญญาคือเรียนรู้เรื่องราวของอาตายารักกัลยาสัตว์สี่จากพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เปือปัญญาขั้นเรียนรู้เราเรี ย, รรรยกว่าสุดตะมายปัญญาแล้วพอเรียนรู้แล้วเราก็เอามาพัฒนามาพิจารณาอยู่เ น, นืเนืองให้เป็นจินตามยาปัญญาก็คือเราคิดบ่อยๆคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นของเราเพราะวันใดวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเขาจะจากเราไปเขาก็จะไปเขาไม่ฟังเราเขาจะดีเขาก็ไม่ฟังเราเขาจะร้ายเขาก็ไม่ฟังเราแล้ว <Okay. S 2> เราอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราใจเราก็จะไม่ถูกอ์ น, นี่คือจินตาไมยะปัญญา แต่จะทาใจจะหยุดความอยากได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่ถ้าใจยังไม่มีสมาธิก็จะหยุดความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วมีอัปปนาสมาธิแล้วสามารถหยุดใจได้แล้วทำให้ใจให้นิ่งได้แล้วพอพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้แล้วก็ไม่ได้ ก็บอกก็อย่าไปอยากก็แล้วกันก็หยุดอยากเสียไม่ได้ก็ไม่ตายเรามีความสุขกับสมาธิของเราอยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปหาความสุขอะไรมาเพิ่มอีกต่อไปเราก็สามารถตัดความอยากต่างๆได้ไ ห, มหมดไปจากใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปนี่คือทำที่เราต้องมาเร่งสร้างกันในวันพระนี้ ทำเป็นขั้นขั้นทำเป็นทำเป็นขั้นทำเป็นตอนอย่าไปทำทีเดียวพร้อมกันทั้งสามขั้นเลย<ม>เพราะมันจะไม่เกิดผล<ม>ขั้นแรกฝึกสติให้มีสติอย่างต่อเนื่องไม่หลงไม่ลื ม, มในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวต่างๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราจะไปนั่งสมาธินี่เราต้องฝึกสติไว้ก่อน ให้มีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับพุทโธก็ได้ให้อยู่กับอิริยาบทของร่างกายก็ได้พอเราสามารถสร้างสติแบบต่อเนื่องไม่ลอยไปลอยมาไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาแล้วเราก็มานั่งสมาธิกันพอนั่งสมาธิมีสติกำกับอย่างต่อเนื่องใจไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้อยู่กับพุทโธก็ดีอยู่กับลมหายใจก็ดี ใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้เบื้องต้นก็เป็นคันิกะสมาธิก่อนแต่ต่อมาพอเราพัฒนาสติให้มีกําลังมากขึ้นต่อไปก็จะนั่งก็จะเป็นอัปปนาสมาธิเบื้องต้นก็อาจจะเป็นห้านาทีก่อนสงบแบบห้านาทีแล้วต่อไปก็สิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีอยู่ที่กําลังของสติที่เราจะต้องพัฒนาอย่างต่อเ น, นื่อง ไม่ใช่ได้คณิกะสมาธิแล้วเราก็เลิกพัฒนาสติถ้าเราเลิกพัฒนาสติเมื่อไหร่ข่าวหน้านั่งสมาธิแม้แต่คณิกะก็จะเข้าไม่ได้ถ้าอยากจะให้เข้าคณิกกาย่างน้อยเราต้องรักษาระดับของสติที่เราได้สร้างมาให้อยู่เท่าเดิมไม่ให้ขาดหายไปแล้วถ้าอยากให้กลายเป็นอัปปนาสมาธิเราต้องสร้างสติให้ต่อเนื่องมากกว่าระดับที่เราได้มา ในขณะที่เราได้คณิกะสมาธิต้องเพิ่มสติให้มีความต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นถึงจะสามารถเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ถ้ายังไม่มีอัปปนาสมาธิถ้าไปพิจารณาทางปัญญาเพื่อไปดับความทุกข์เมื่อเห็นว่าความอยากเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจให้ก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้เพราะว่ากำลังของสมาธิมีไม่พอที่จะไปหยุดความอยาก การหยุดความอยากก็คือหยุดใจนี่เองทำใจให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิพอทพอใจเป็นสมาธิความอยากก็ทำงานไม่ได้ถ้าเรายังทำสมาธิไม่ได้เราจะไปทำปัญญาให้ปัญญาเพื่อมาดับความทุกข์มาดับความอยากที่เป็นตัวทำให้ใจทุกข์นี้ทำไม่ได้งนั้นเบื้องต้นเราต้องฝึกสติอย่างสม่าเสมอสมลับกับการนั่งสมาธิ ก็ออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติไปก่อนจนกว่าสมาธิของเราจะพัฒนาเป็นอัปปนาสมาธิและเรามีความชำนาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิและสงบได้นานขึ้นไปตามลำดับเมื่อเรามีความชำนาญเราสามารถมีอัปปนาสมาธิได้หยุดความอยากได้แล้วเราก็ไปพิจารณาทางปัญญา หาสาเหตุดู ว, ว่าเวลาใจเราทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรเราก็จะเห็นว่ามันทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดพอไม่ได้ก็ทุกข์อยากมีอยากเป็นพอไม่ได้เป็นก็ทุกข์อยากร่ำอยากรวยอยากถูกหวยพอไม่ถูกหวยไม่รําไม่รวยก็ทุกข์ขึ้นมนาะอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราเป็นนานๆพอเขาไม่อยู่กับเราก็ทุกข์ขึ้นมาดั่นอยากให้นั่งกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ทุกกันขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอน้าตาเขามีเหตุปัจจัยให้เขาเป็นไปอย่างนั้นให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้เขาเจริญให้เขาเสื่อมให้เขาเกิดให้เขาดับให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตายเราไปห้ามไม่ได้เราไปอยากให้เขาไม่เป็นไม่ได้อยากเราจะทุกข์ใจ เราก็ต้องยอมรับความจริงไม่ฝืนความจริงก็ปล่อยเขาให้แก่ให้เจ็บให้ตายไปไม่มีความอยากในใจให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นแต่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับส่วนใหญ่แล้วมักจะอยากจะให้เขาไม่ดับเวลาเราได้อะไรมาแล้วเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่ไปตลอดแต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอด ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปเพราะเราเองคือร่างกายของเรามันก็ไม่ยังย่งยืนถาวรเช่นเดียวกันต้องพิจารณาให้รอบครอบทั้งเขาทั้งเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนะัตตาทั้งนั้นอันนี้คือการเจริญปัญญาท่านต้นก็เรียนจากพกระพุทธเจ้าก่อนเลกสุดแตม่มยปัญญาแล้วก็มาพิจารณาเนืองๆพิจารณาให้รอบคอบ เขาเรียกว่าจินตามเมยะปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้แต่พอไปฝึกสมาธิทําจิตให้รวมได้เป็นอัปปนาสมาธิแนละ้วทีนี้มาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากให้ทุกข์เกิดหรืออยากให้ทุกข์ดับไปก็ต้องใช้ก็ต้องหยุดความอยากทั้งเองพอมีอัปปนาสมาธิก็จะสามารถหยุดความอยากได้ แล้วต่อไปความอยากทุกชนิด ก, ก็จะอยู่ในวิธีเดียวกันทั้งหมดความอยากทั้งหมดก็เป็นเพราะว่ายังไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองพอสอนให้ใจเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากอีกต่อไปพอไม่อยากจิตก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป mm hmm. นี่คือความเพียรที่เราจะมาเร่งทากันมาปฏิบัติกันในวันพระนี้ ทำสามอย่างนี้แต่ทำทีละขั้นทีละตอนถ้ายังไม่มีสติก็เจริญสติก่อนถ้ายังไม่มีพอได้สติแล้วก็มานั่งสมาธิพอได้สมาธิแล้วค่อยไปเจริญปัญญาไถทาเป็นขั้นไม่ต้องรีบร้อนข้ามขั้นไม่ได้เหมือนเรียนหนังสืออยู่ปหนึ่งก็ต้องเรียนปหนึ่งให้จบก่อนแล้วค่อยขึ้นปสองแล้วค่อยขึ้นปสามไปเรื่อยๆการปฏิบัติทำก็เป็นลักษณะเดียวกัน ขั้นแรกก็ปหนึ่งก็คือสติฝึกสติให้ได้เป็นสัมปชัญญะก่อนให้มีสติอยากต่อเนื่องแล้วก็ไปนั่งสมาธิให้เกิดคณิกะหรืออัปปนาสมาธิก่อนพอได้อัปปนาสมาธิแล้วก็ค่อยไปทางปัญญาต่อไปปัญญาก็จะสามารถวิเคราะห์จนเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆของใจก็หยุดความอยากได้ทันทีด้วยอัปปนาสมาธิ พอหยุดแล้วความอยากหยุดปับ๊บความทุกข์ที่เกิดก็จะหายไปมีคือการบำเพญ็ญเร่งทําความเพียรกันให้เรามาเพียรสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันนี่เองแต่ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนอย่าเหมารวม ท, ทําทีเดียวพร้อมกันเพราะมันจะไม่เกิดผลนมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนก่อนต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนอย่านั่งสมาธิให้ได้คณิกะได้อัปปนาก่อน เมื่อได้คัมภีกาปนาแล้วก็ค่อยไปพิจารณาตายรักพิจารณาอริยสัจสี่ให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ทุกหายไปก็ต้องหยุดความอยากพอมีอปนาสมาธิก็สามารถหยุดความอยากได้ทันทีใจก็จะหายทุกทันทีนี่ก็คือธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้เพราะว่าเวลาสาหรับการแสดงธรรมก็ได้หมดลงแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เราจะ มีการแสดงธรรมประมาณสามสิบนาทีแล้วต่อด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอีกสามสิบนาทีนั้นขั้นต่อไปเราจะมานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขเกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วจะทำให้เราไม่หิวโหวยกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ความอยากก็จะเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมด จะให้มันหมดต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าทุกอย่างที่เราอยากเป็นทุกข์เป็นตายรักเป็นน้นิจังทุกขงังอนัตตาตอนนี้เราจะมานั่งสมาธิกันทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการมีสติควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะผูกใจให้ไม่ลอยไปกับความคิดกรรมฐานที่เราใช้กันประจาก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ถ้าเราบริกรรมพุทโธมาก่อนที่เรามานั่งสมาธิ เร า, านั่งสมาธิเราก็จะมีสติมีพุทโธอยู่กับใจเราอย่างต่อเ น, นื่องนั่งเดี๋ยวเดียวใจก็สงบได้แต่ถ้าเราไม่มีสติใจเราอยาอยไปลอยมาไม่ได้อยู่กับพุทโธเวลามานั่งก็จะรู้สึกว่ายากนั่งยังไงก็ใจก็ไม่ยอมอยู่กับพุทโธพอเปลี่ยนมาดูลมมันก็ไม่ยอมอยู่กับลมอาจจะต้องถอยกลับไปไปอยู่กับการสวดมนต์ก่อนการสวดมนต์นี้ก็จะช่วยดึงสติให้มีเพิ่มมากขึ้นมาได้ พอช่วยดังนับใจที่คิดฟุง้งซ่านได้แล้วค่อยมาดูลมต่อแล้วค่อยมาบริกรรมพุทโธต่อขณะที่ดูมลมหรือบริกรรมพุทโธอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในใจจะเป็นภาพเป็นรูปเป็นเสียงเป็นสีเป็นอะไรก็ตามอย่าไปสนใจเป็นของปลอมของหลอกมันจะทำให้เราเสียสมาธิไม่สามารถเข้าสมาธิได้เราต้องเกาะติดอยู่กับกรรมฐานของเรา เป็นพุทถ้าเป็นพุโทโธก็อยู่พุโทโธถ้าเป็นลมหายใจก็อ ย, อยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปเผลอไปตามรู้เรื่องอื่นที่ปรากฏขึ้นมาใจก็จะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้การนั่งสมาธิเราต้องการความนิ่งความสงบต้องการความสุขที่เกิดจากความนิ่งความสงบเรายัางไม่ต้องการปัญญาไม่ต้องการรู้อะไรทั้งนั้นเราต้องการหยุดใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้สร้าง อะไรให้ปรากฏขึ้นมาในใจต้องการให้ใจว่างเย็นสงบสบายตอนแล้วเรื่องปั ญ, ญญานี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งต mm hmm. อนนี้เราอยู่ขั้นสมาธิกันทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการมีสติแล้วเลึกโอยู่กับกรรมฐานอารมณ์ที่ใช้ผูกใจจะใช้อะไรก็ได้นอกเหนือจากพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกถ้าเราถนัดเราชอบกรรมฐานอันใดที่ทาให้ใจเราสงบได้ก็ใช้อ น, นันไปได้ ไม่มีความการกำ จ, จำกัดว่าจะต้องใช้กรรมฐานแบบนี้แบบเดียวก็ใช้แบบอื่นก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแล้วแต่เราจะชอบแ้ต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันต่อจนกว่าจะหมดเวลาอขณะนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่า วันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็เอาวิธีนี้ไปนั่งต่อจิตก็จะสงบต่อได้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้โดยที่ไม่ได้ทำแบบวันนี้ก็จะไม่สงบถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็สแสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรที่จะหมั่นเจริญสติระหว่างวันไปเรื่อย ต้งแต่แตื่นขึ้นมาก็ใช้คําบาลีรำพุโทโธไปก็ได้ใช้การเท้าดูอเรยาบทของร่างกายไปก็ได้จนกว่าจะถึงเวลามานั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นนั่งได้นานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พลอยอยะถ า, าวาเรวะหาปูราปาริปุเรมติสากลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิ์ตังปฏิตังตุงหังคิบเมววะสมิจฉตสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยธาตุมณิโชติร a โสย a า h ุสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพารคโขวินัสตุ มาเตภวตวันตาลโยสุขีทิคาโยโภผวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหธามาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 266ท่านทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติ277ท่านทาง YouTube ดรวีสีท่านทางวิทยุออนไลน์8ท่านทางขับ b ฮ o u ์เจท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งิเจท่านรวมทั้งหมด715้อสิบห้าท่านครับใช่กลับในมสัส ก, การพระอาจารย์ช่ค่ะมีคำถามจาก ทางเฟซบุ๊ถามเข้ามาว่าเวลาเจ็บป่วยมีอาการจะเครียดซ้ำใจคอยวนเวียนอยู่กับอาการทำให้จิตตกจะแก้ไขอย่างไรดีคะพยายามไม่เอาจิตไปจับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปอีกขอคำแนะนำเจ้าค่ะพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะจากทางเฟ e บุ o k ค่ะรู้สึกอร่อยในอาหาร หรือสุขใจกับสถานที่นั้นๆอย่างนี้เกิดอุปทานขันแล้วใช่ไหมครับถ้าใช่ขอแนวทางการออกจากอุปทานขันด้วยครับกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากครับก็มองเห็นอ า, อาหารที่อยู่ในปากว่ามันโสมกถ้าคายออกมาแล้วก็จะกินไม่ลงอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานเห็นแล้วมันก็อร่อยอยากจะกิน แต่พอเข้าไปในปากแล้วลองคายออกมาดูหน้าตามันใหม่ใช่ว่ามันน่ากินไห ม, มเห็นต้องเห็นภาพตรงกันข้ามภาพที่น่าน่ากินกับภาพที่ไม่น่ากินเวลามันออกจากร่างกายเรานี่มันน่ากินไหมไม่น่ากินเลยมันก็เป็นอาหารเหมือนกันให้นึกถึงภาพนั้นบ้างเราก็จะไม่อยากกินใช่ค่ะมีคาถามเข้ามาถามว่า เมื่อกายหยาบดับไปแล้วจิตยังสามารถจดจําภรรยาลูกหรือเรื่องราวตอนที่มีชีวิตอยู่ได้หรือไม่คะและในวันพระดวงวิญญาณจะถูกปลดปล่อยมาให้รับผลบุญใช่ไหมคะก็อยู่ที่ความจําของแต่ละคนบางคนจําได้แม่นจําได้นานบางคนก็จําไม่ค่อยได้คนที่จําได้ก็มีคนที่จําไม่ได้ก็มี คนที่เราเลิกชาติได้ก็มีคนที่เราเลิกชาติไม่ได้ก็มีแล้วแต่ความจําของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเค่ะมีคําถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุฏิเจา้าค่ะกรบาบนมัสการพระอาจารย์สอบถามว่าคําที่ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์คืออย่างไรเราคิดถึงอารมณ์แบบนั้นขึ้นเองหรือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแบบสภาวธรรมเป็นอารมณ์ที่สงบ ไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาซึ่งต้องเกิดจากการปฏิบัติเราจะนึกขึ้นมาเองไม่ได้เพราะใจใจเรามีแต่กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเราต้องคัดกรองแล้วซักพอกจิตใจให้สะอาดกาจัดความโลภ ก, กดหลงโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะได้อารมณ์ของพานิพานเจ้าค่ะจากทาง YouTube พระอาจารย์คุณณาวินถามเข้ามาว่า สมาธิระดับไหนที่หูจะไม่ได้ยินเสียงครับระดับอัปปนาสมาธินี่แหละมีสองสองชนิดสองแบ บ, แบบแบบที่ยังได้ยินเสียงก็มีแบบที่ไม่ได้ยินเสียงก็มีเจ้าค่ะจากคุณแก้วเจ้าค่ะสวดมนต์บทยาวกับบทสั้นอย่างไหนได้ปุณกว่ากันคะถ้าสวดมันจะอยู่สั้นหรือยาวอยู่ที่นานหรือไม่นานถ้าสวดนานก็ไดได้สติมากขึ้น ส่วนน้อยก็ได้สติน้อยค่ะจากพุนพิมพ์รัวีเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักจะรู้สึกใจวิวแล้วสะดุ้งเกิดจากอะไรคะต้องแก้ยังไงไม่มีสติต้องกลับมาที่สติพุโทโธพุโทโธเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะใช่จ้ะพูดไม่ก็เป็น กับนมัน ก, การัท่านอาจารย์อย่างเช่นคารวาที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ้นทุกข์นะคะยังหลวงตามหาบัวปฏิบัติธรรมพระท่านเป็นพราพิญญาเมื่อปฏิบัติธรมรมอะโลคกระทก็ก็ท่นนานวันไหวแต่พระอาจารย์สิงห์ทองอท่านปฏิบัติธรรมท่านไม่รู้ว่าท่านเนี่ยพ้นทุกข์แล้วจนเ หลวงตามาหาบัวบอกท่านถึงจะรู้ถ้าเป็นโยมที่ปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์แล้วผู้ที่จะบอกได้ว่าผู้นั้นพ้นทุกข์แล้วก็ต้องเป็นพระอริยะเจ้าบอกใช่ไหมเจ้าคะความจริงมันเป็นสันทิติโกนะมันมันต้องรู้เองอนะือมเราจะฟังมาเข้าใจผิดก็ได้ ยัไม่เข้าใจเจ้าค่ะก็เวลาโยไม่สบายแล้วเวลายมรักษาตัวหายแล้วโยรู้สึกต้องไปถามใครว่าฉันหายหรือยังอันนี้เข้าใจเจ้าค่ะนนเข้าใจก็แบบเดียวกันอาจาใจหายจากความทุกข์มันก็เรื่องเองโยตอนตอน้นโยเข้าใจว่าสมมติถ้า น, าน<จ>อาจจะคิดว่ามันไม่มันไม่หมดเนาะเข้ใจเจ้าค่ะอันเคยไม่ประมาทท่านก็เลยรระมัดระวังเพื่อไม่ให้จุกหลอกท่าน็เลยว่าคู ย, ยังไม่หมดแต่ความจริงมันหมดแล้วเจ้าค่ะอย่างนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ยัง ยังโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าท่านอาจารย์บอกโยมว่าสิ้นทุกข์หรือไม่สิ้นทุกข์นี้ถือว่าเป็นอวดอุตริตมนุษยธรรมไหมเจ้าคะ่ะก็เราไม่ได้เป็นคนพูดเนี่ยคนอื่นเขาพูดแล้วเราจะไปอวดอุตริตรงไหนล่ะเจ้าค่ะไม่ไม่อย่างพุทเจ้าบางทีรับรองอัญญาณโกนทนัญญาเธอเป็นโสดาบันแล้วอย่างเงี้ยอุตริหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่เป็นใช่ไหมใจเจ้าค่ะอัญญาไม่ได้พูดอะไรอัญญาเพียงแต่ว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเท่าน่้นเองท่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นตายรักษเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละเธอได้เธอรู้แล้วเนาะเธอรู้แล้วหนอเข้าใจไหมมาถามอีกคาด้วยาเอาเลยเโยมสิ้นทุกแล้วอย่างเจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยวขอตีหัวทีด้วย <laughs> <laughs> หรืออย่างนี้มีคนเข้าไปกราบหลวงปู่แล้วบอกว่าฟังทำหลวงปู่มาแล้วรู้สึกว่ากิเลสหายหมดเลยหลวงปู่ว่าอีตอแหลยงกลัวแบบนั้นะนะเอาเข้ามาอยากจะถามต้องเข้ามาเดี๋ยวมีคนถามอยากจะถามพระอาจาย์หรือยังเราต้องรู้อ่ะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่ามั น, มนสุดด้วยอย่างทัานอาจารยยังไม่มั่นใจเราก็ยังไม่ประมาท ก็เฝ้าดูไปเรื่อยๆอันจนตรงนั้นน่ะโยมก่อนสอบถามครับเรื่องการปฏิบัติครับตอนนี้ผมวันหนึ่งก็เดินครึ่งชั่วโมงนั่งชั่วโมงหนึ่งประมาณครับก็เวลานั่งก็เดินนั่งก็ถ้าถ้าเข้าสมาธิได้มันก็สงบสบายค่อยๆเดินช้าลงช้าลงจนเกือบจะหยุดอ่ะเก็เดิน แล้วก็ดูดูความสุขความสบายแล้วก็ถ้านั่งก็ทีก็ดูดูสภาวะที่ที่ที่ปรากฏให้เห็นนะครับอย่างเช่นมีความซาบซ่าอย่างเงี้ยหรือว่ามีความสุขหรือสุขหายไปมีความสบายสบายละเอียดละเอียดนะครับอันนี้คือถ้าเข้าสมาธิได้แต่บางทีจิตมันเหมือน ไม่เข้าสมาธิมันจะดูสภาวะดูกายใจก็ดูดูดูตัวดูท้องพองยุบบ้างครับดูตัวนั่งอยู่บ้างยอมถามเลยถามคำถา ม, ถามได้ไหมที่อยากดูว่าปฏิบัติอย่างเนี้ยอันนี้คือถูกหรือเปล่าครับยังไม่ถูก เ, รเพราะว่ามันยังไม่สงบถ้ายังมีอาการต่างๆปรากฏนี้จิตยังไม่สงบ uh huh. ยังไม่เป็นสมาธิครับวรจะกลับมาที่คําบริกรรมเรื่องการดูลมต่อไป อย่าไปดูอาการต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแต่อาการปรุงแต่งของจิตนนะครับครับดูหาใจจิตใจเราทําสมาธิเราอย่าไปสนใจเรื่องราวเหลนะ่านี้ครับถ้าเราผ่านได้สมาธิแล้วเราจะใช้ปัญญาเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พิจารณานดูอาการเหลนะ่านั้นรับปล่อยวางไม่ไปยินดียินร้ายกับมันครับแล้วถ้ า, าอยู่ในขั้นเจริญสติขั้นขั้นสมาธิเราก็อย่าไปสนใจให้ถูกใจมันอยู่กับกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐาน ให้มันนิ่งให้มันว่างเวลามันสงบจริงๆมันจะว่างไม่มีอะไรเลยครับครับนั่นแหละอยู่เฉยๆนิ่งๆเฉยๆอ่ะอวกาศของธรรมเนี่ยน้องตาบอกมันว่ามันอยู่ในอวกาศอันนั้นแหละเป็นสมาธิเป็นความสงบแต่ถ้ายังมีอันนั้นผุดขึ้นมานี่ผุดขึ้นมาอยู่อันนี้ยังไม่สงบครับไปดูมามันก็ดูไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ผุดขึ้นผุดลงของมันอย่างนั้นะไม่เกิดประโยชน์อะไรครับ ขอให้อยู่กับความว่างความสบายความสบายความสุขความเป็นอุเบกขาวานว่างจริงๆเฉยๆจริงๆครับครัแล้วช่วงนอกบาลังระหว่างวานก็มีสติคอยกำกับสติในยาบทก็ได้ในกรรมวิกรรมพุทโธก็ได้ครับบางทีเราเหมือนกับมันอย่างเดินเดินอยู่เนี่ยเราก็ดู ดูดูการเคลื่อนการอะไรสติดูการเคลื่อนอะไรเนยดูดูแต่ร่างกายอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นอ๋อครับกายกตาสติแค่เรี่องมันจะมีอาการแสดงแสดงออกมาอย่าไปสนใจอาการทางกายทั้งมันไม่ให้ดูดูอาการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูระยะของร่างกายสนใจไว้กับร่างกายอย่าไปสนใจกับอารมณ์อย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาอ๋อครับครับออ๋ กลับไปนั่งสมาธิต่อพอเดินแล้วเมื่อยอยากจะนั่งก็กลับไปนั่งสมาธิต่ออครับเวลาผ่านไปสลับเดินกับนั่งไปเรื่อยๆเป็นกว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างชำนาญะเข้าได้นานแล้วเราค่อยไปขั้นปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆครับครับก็คือให้อยู่กับความสบายความสุขอทํะได้นิ่งๆเฉยๆเงียบๆอย่างนั้นอ๋อครับ ถ้ารจะได้มีฐานมีมีพลังมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสครับบางทีมันก็เหมือนมันก็มีความสุขมาเฉยๆอย่างนั้นนะแล้วก็มบุตรก็เงียบไปก็เราไม่ต้องการความทุกข์ไม่ใช่หรอครับครับก็มีความสุขก็ดีเราจะมาบ่นทำไมมันยังไม่สุขจริงมันสุขยังไม่ยังไม่อิ่มไม่พออุขยังอิ่มไม่พอเนี่ยมันจะมันไม่มันจะไม่ต้องการอะไรอย่างนะเฉยๆอ๋อครับ ครับคือถ้ามันเข้าไปตรงนั้นมันก็เหมือนจะไม่อยากยุ่งอะไรมันมีอารมณ์อะไรมันก็เงียบไปหมดมันรู้เฉยๆส ร, รัทธารู้ไปไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมลสมาธิเป็นอย่างนั้นอ๋อครับโอเคนะเข้าใจนะข้านหนึ่งตะกี้ฟังพระอาจารย์พูดเรื่องปฏิบัติ24ชั่วโมงในวันพักเนี่ยครับ ครนี้เนี่ยอ่ออยากลองเหมือนกันครนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องอาการง่วงนอนซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะมีนะเราจะแก้ไงครับถ้าเกิดเราถือสินแปลงอย่ า, ยา ก, กินหลังอาหารอาหารหลังเที่ยงวันหรือว่ากินมื้อเดียวเราก็ได้อย่างพับกรรมฐานนี่ท่านก็ถือทุดงควาฉันมื้อเดียวฉันตอนเช้าเสร็จแล้วก็จบต่อเ น, นั้นก็ดื่มน้ำเปล่าไปทั้งวันถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ำเปล่าไปไม่ต้องกินอะไรนะไม่ต้องเดือดอะไรนะเพราะมันเป็นกิเลสนั้นเดือด เครื่องหนึ่งที่มีรถมีสีมีกิ่นก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสอาหารก็กินไว้เพื่อกินเป็นกินเป็นเหมือนกินยาเลี้ยงร่างกายกินวันละครั้งก็พอแล้วก็เอาเวลาทั้งหมดมาเจริญสตินั่งสมาธิมันก็จะไม่ง่วงถ้ามีสติจิตมันจะตื่นตัวตลอดเวลา และอย่างตอนเดินจงกรมเนี่ยถ้าเกิดเราเมื่อยเนี่ยเราควรจะฝืนเดินต่อไปให้จนแบบถึงที่สุดเลยไหมฮะจนเดินไม่ออกหรือ ว, ว่าควรจะพักก็ได้นสอง อ, อย่างเปลี่ยนมานั่งก็ได้แล้วจะเดินบางท่านมันเดินไม่ไหวจริงๆแล้วให้มานั่งก็ได้แล้วนั่งมานานจนกว่าจะนั่งมันทนไม่ไหวแล้วขึ้นมาเดินใหม่ก็ได้เอาแบบสุดๆก็ได้หรือว่าแบบสบายๆก็ได้พอเริ่มรู้สึกเมื่อยก็กลับมานั่งพอนั่งแล้วรู้สึกเมื่อยก็ลกขึ้นไปเดินใหม่ก็ได้เอาหมายไม่ได้ที่การนั่งการเดินเป้าหมายที่การเจริญสติ ในขณะที่เราเดินเรานั่งให้มีสติตลอดเวลาเาใจนะได้ครับโอเคมีเหรอเ้ามาเข้ามาต้องพูดไม่ให้กได้ยินเยออ่ะไม่ได้หรอกของนี้นัต้องไม่เป็นวกของวิเศษต้องเามาแจกจ่ายกนักนกน่อนไปต้องใช่ไหมค่ะคุณป้าต้อง โยมใช้ไอ้เครื่องมือสมัยใหม่ไม่เป็นเจ้าค่ะแต่ชอบฟังธรรมะของท่านอาจารย์ขอความเมตตาถ้ามีวิทยุแบบของหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะโยมจะได้ฟังเวลาอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะแล้วยมตั้งสถานีขึ้นมาด้วยถ้าท่านอานจารย์ยมีก็โยมขอควเมตตาขอเลยเจ้าค่ะแต่ก็ในในมือถือก็ฟังได้ทั้งวันตลอดยีิบสี่ชัว่วโมงเป็น เปิดปิดอย่างเดียวเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นแบบคนโบราณเนี่ยเจ้าค่ะมันไม่ดีก็ต้องมาเฉพาะวันเสาร์าที่ยวกับวันพับก็ได้ฟังเท่านั้นเลยเจ้าค่ะแต่มันแบบแล้วก็มาอ่าเทมไว้เองใส่อ่านเสียงไว้เองไม่เป็นสักอย่างเดียวเจ้าค่ะก็ต้องเรียนบ้างเสียนยาว้าง่งมันมันมันกระลุงกระลังเจ้าค่ะงน้ก็ก็แค่นี้ก็แล้วกันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าคําว่าว่างกับคือเวลานั่งสมาธิอะค่ะ เกิดอาการ OR, ว่างกับแอบหลับหรือว่าหลับอยู่ในพวังมันแยกกันยังไงมันมีสองอย่างว่างแบบ اب, หลับกับว่างแบบไม่หลับก็อยู่ที่มีสติแล้วไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็หลับคือถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนรู้ว่าหายใจเข้าออกตลอดเวลาแต่ว่ า, า ม, มันมันเหมือนหายไปแต่ว่าแต่เราอรู้ว่าหายใจเข้าออก เ, ออเวลามันหายมันก็สติหมดพอเหมือนกลับมาก็มีสติกลับขึ้นมาใหม่ก็คือ ไม่ได้หลับแต่แต ไ, มไม่มีสติไม่มีสติก็แล้วกันถ้ามันไม่หลับก็ได้ไม่มีสติสติหายไปก็เลยไม่รู้อะไรแล้วต้องทํำยังไงให้ต้องให้มีสติอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นอาการานี้เราก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนก็ได้ปลุกสติขึ้นมาใหม่สติกําลังมันไม่พอที่จะนั่งครับแล้วนั่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นนาฬิกรรมพุโทโธแทนก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้เพื่อสร้างสติขึ้นมาก่อน จากคุณมาลีเจ้าค่ะถามเข้ามาว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าได้แล้วและสามารถถอดจิตได้หมายถึงอย่างไรคะก็ยินดีกับเขาไปแต่เราจะไม่รู้เลยเขาหมายถึงอย่างไรไม <ซะ S 2> ่ใช่เรื่องของเราเขาจะพูดไงเขาบ่อยเขาพูดไปอเ <ซะ S 2> ขาจะบอกใครพูดอะไรก็ให้ฟังฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อร้อยเอร์เซ็นต์แต่อย่าไปปฏิเสธเ <ซะ S 2> ขา เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่แล้วเราค่อยเชื่ออย่างร้อยเปอเซจ้าค่ะจากทาง f a c e b o o เจ้า ค, ค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะในช่วงระหว่างวันที่เราไม่มีสุขไม่มีทุกข์และเราถึงค่อยกลับมารู้สึกตัวอีกทีช่วงที่เรารู้สึกว่าหายไปยนั้นถือว่า เราไม่มีสติใช่หรือไม่คะถ้าไม่รู้ก็ไม่มีสติถ้ารู้ก็มีสติสติก็คือตัวเรลืกรู้ค่ะคุณแก้วค่ะถามเข้ามาว่าขอสอบถามอีกข้อค่ะพระอาจารย์เวลาหนูสวดมนต์แล้วลืมตาจิตจะไม่สงบในหัวชอบไปคิดเรื่องต่างๆ จนต้องหลับตาลงแล้วสวดความคิดในหัวถึงจะหยุดทําไมจึงเป็นเช่นนี้คะเพราะเวลาเรลืมตาเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วใจมันก็ไปเกาะกับสิ่งที่เราเห็นมันไม่เกาะติดอยู่กับบทสวดมนต์พอเราหลับตาปั๊บมันก็ไม่มีอะไรมามันดึงใจเราให้ไปจากบทสวดมนต์เราก็ไม่สวดมนต์ได้เวลาเท่ี่มันเราเท่เะหลับตาเท่สบายไม่ต้องสนใจถ้าเลื่อนตาแตวคนนั้นลุกไปเดินคนนี้ลุกเข้ามาเดินไปเดินมามันทําให้เรา ตามไปด้วยท่านี่อยู่กับการเทศกลับไปตามดูว่าคนเขาทำอะไรกันก็เลยหลับตาดีกว่าหลับตาแล้วเราจะมีสมาธิในใจเราใช่มะมีส ต, <ะ>สติไม่ยั่มีสมาธิค่ะแล้วค่ะในในระหว่างวันเจ้าค่ะหรือในชีวิตประจำวันที่เราไม่ไม่ทุกข์ใจกับเรื่องที่ ปัญหาใหญ่ๆ ห, ห, หรือใครจะจากไปหรือใครจะไม่อยู่กับเราแบบนี้ค่ะเราปล่อยวางได้มากขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่ากําลังสติกําลังสมาธิเราเราดีขึ้นไหมคะอาจารย์เข้มแข็งขึ้ น, นไม่แน่าหรอกมันอาจจะอยู่ที่เราไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นเราก็เราไม่ทุกข์สิ่งไหนที่เราให้ความสําคัญแม้แต่เรื่องนิดเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะไม่แน่ว่าเราเรามีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญากันหรือไม่อย่างไร ก็ต้องอย่าไปสนใจว่ามันเป็นอย่างไงขอให้เราไม่ทุกข์กับมันก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็ขอให้เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันการปฏิบัติของเราเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากอะไรก็ได้ถ้าเราทุกข์น้อยลงแล้วการปฏิบัติเราจะก้าวหน้าใช่ไหมเจ้าคะใช่ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทั่งต่อไปทุกข์หายไปหมดเหลือแต่สุขอย่างเดียว ก็เป็นมารามาสุกไปเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมเจิญถามได้นะช่วงนี้ถ้าถ้าแล้ววามาถามจะไม่ได้ตอบแตเพราะไม่สะดวกโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านยางนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอสาธุ